มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาทุติยวัคเศธธรรมะปัญหาที่เจ็ดถามว่าทรงตรัสว่าโลกุตระธรรมประเสริฐเหตุอะไรให้คฤหัสถ์โสดาบันไหว้นกภิกษุสมเณเณรผู้เป็นปุถุชนเล่า สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระระชาชโอการดำรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาภาสิตังเจตังพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาตรัสแก่วาเศรษฐมาโนบว่าโลกุตรธรรมนี้ถ้าผู้ใดสำเร็จแล้วประเสริฐนักอาจให้เกิดผลเป็นทิฏฐธรรมเห็นประจักษ์ในชาตินี้ และจะให้ผลแผ่ไปในปาราโลกแก่คนทั้งหลายอันสักการะบูชาแล้วพระองค์ตรัสหม่ว่าคิฮีโสตาปันโนคฤรหัดได้พระโสดาบันนั้นและบาปกรรมได้เสร็จสิ้นแล้วจะตายไปสู่อบายภูมิทั้งสี่นั้นหาบ่ไม่ได้เป็นผู้เห็นแท้ในธรรมจะได้สงสัยในคำพระตถาคตว่าไม่เปลื้องปลดให้พ้นสงสารวัตหาบ่ไม่ได้ พระโสดาบันคารวาสนั้นย่อมไหว้และลุกรับภิกษุและสมมเนนที่เป็นปุถุชนอันยังหนาด้วยกิเลสนี่แหละพระพุทธฎีกาทั้งสองนี้ไม่ต้องกันเดิมว่าผู้ที่ได้โลกุตรัธรรมนั้นประเสริฐในปุถุชนควรที่ปุถุชนจะบูชาครั้นว่าจะเชื่อกระแสพระพุทธฎีกานี้พระพุทธฎีกาที่ได้โปรดไว้ทีหลังว่า พระโสดาบานันคฤหัตย่อมนมั ส, สการและลุกขับพระภิกษุสมณีเป็นปุถุชนกระแสพระพุทธฎีกาภายหลังนี้จะเป็นมิจฉาครั้นจะเชื่อกระแสพระพุทธดีกาภายหลังเล่าพระพุทธฎีกาที่ตรัสไว้ก่อนว่าพระโลกุตละธรรมประเสริฐในปุถุชนควรปุถุชนจะบูชาพระพุทธดีกานี้จะเป็นมิจฉา อายังปันโหอันว่าปัญหานี้เป็นอุพโตโกติคือเป็นสองเงื่อนนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าโปรดวิสัชนากรพระนาคเกษณถวายพระพรว่ามหาราชะดูกะระบพิษผู้ประเสริฐเดิมสมเด็จพระบรมโล ก, กาณาศาสดามีพระพุทธดีกาตรัสว่าพระนวะโลกุตระธรรมประเสริฐ ควรปุถุชนทั้งหลายจะว่าจะบูชาพระพุทธดีกานี้ตรัสแน่นอนกรณีปุนจัครั้นต่อมาเล่าสมเด็จพระพิชิตมานมุนีเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าการรืหัตได้พระโสดาเป็นผู้ละบาปกรรมได้เสร็จสิ้นกระทธรรมกาละกิริยาไม่รู้ไปอบายทั้งสี่คือมั่นในคุณพระเสียรัตนไตร แต่ยังเคารพนบไหว้พระภิกษุสมณีผู้เป็นปุถุชนดังนี้ขอถวายพระพรคำทั้งสองนี้สมเด็จพระทศพลตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้จริงมิได้ผิดและพระพุทธภาสิทธ์ทั้งสองนั้นจะแย้งกันเป็นอันหาไม่ได้มหาบาพิจงทราบ พ, พระญาณตามเหตุอันมีอยู่ที่อัตมาภาพจะถวายวิสัชนาต่อไป กะตะเมตังการนังเหตุนั้นเป็นไนได้แก่อะไรวีสติโยปนิเมมหาราชะขอถวายพระพรบพิษผู้ประเสริฐคือภิกษุสมณี น, นั้นเป็นผู้มีสมณ ะ, ะกรรณียธรรมยี่สิบประการที่เป็นธรรมสำหรับสมณ ะ, ะประพฤติและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งเพศอันอุดมสองอย่าง อันสมควรจะกราบไหว้เคารพบูชาสักการะและนับถือนี่แหละสมณกรณียธรรมย0สิบประการและเพศสองอย่างนั้นเป็นฉนเล่าเศธภูมิสยคือตั้งอยู่ในภูมิอันประเสริฐประกอบด้วยการุณาและความสัตว์เป็นต้นประการหนึ่งอเคนิยโมคือนิยมในกิจอันเลิศประการหนึ่งจาโร คือมีความประพฤติประการหนึ่งวิหาโรคือมีวิหารธรรมและอิริยาบถอันสมควรประการหนึ่งสัญญาโมคือสำรวมอินทรีย์ประการหนึ่งสังวโรคือสำรวมปาติโมคัสังวรศีนประการหนึ่งขันติคือประกอบด้วยอดใจประการหนึ่งโสรจังคือความเป็นผู้สงบสงี่ยมประการหนึ่งเอกันตาพิรติ คือยินดีในธรรมเป็นอันแท้ประการหนึ่งเอกันตะจริยาคือประพฤติธรรมเที่ยงแท้ประการหนึ่งปฏิสันลิณีคือมีปกติเข้าที่เร้นประการหนึ่งฮิริคือละอายแก่บาประการหนึ่งโอตับปังคือสะดุ้งแก่บาประการหนึ่งวิรยังคือมีเพียรประการหนึ่งอัปปมาโทคือมิได้ประมาทประการหนึ่ง อุทเทโสคือบอกกล่าวเล่าเรียนบาลีประการหนึ่งปริปุจชาคือเล่าเรียนบอกกล่าวอัตถกถ า, าประการหนึ่งศีลาธิรติคือยินดีในคุณพระธรรมทั้งหลายมีศีลคุณเป็นต้นประการหนึ่งนิราลยะตาคือภาวะไม่มีอาลัยประการหนึ่งสิกขาปัททะปาริปุรีคือบริบูรณ์ด้วยสิกขาบทประการหนึ่ง พันดะพาโวคือทรงผ้ากาสาวพัฒ์ประการหนึ่งมุนดาพาวโวคือมีศีรษะล้นประการหนึ่งรวมเป็นยี่สิบสองประการด้วยกันสมณะกรณียธรรมยี่สิบประการและเพศสองประการนั้นดังนี้แลขอถวายพระพรพระภิกษุสมณเณรประกอบสมาทานประพฤติคุณเหล่านี้ ให้บริบูรณ์เต็มที่มิให้บกพร่องแล้วก็อาจสามารถจะย่างลงสู่อาเสขภูมิและอารหัตตะภูมิได้เมื่อภิกษุสมนเนนั้นเป็นพูดถึงระหว่างแห่งตำแหน่งอันประเสริฐจะได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้ต่อไปเช่นนี้อุบาสกผู้เป็นโสดาบันจึงควรจะกราบไหว้บูชาและลุกรับด้วยเหตุที่มาจินตนาการว่า สามัญยังอุปคะัะโตท่านผู้นี้เข้าถึงซึ่งความเป็นผู้เสมอเทียมเทียบเปรียบด้วยขีนาศบทั้งหลายความถึงพร้อมเช่นนั้นจะได้มีกัเราเป็นอันว่าหามิได้ประการหนึ่งอุบาสกที่เป็นโสดาบันควรกราบไหว้บูชาและลุกรับภิกษุที่เป็นปุถุชนด้วยมาจินตนาการว่า ภิกษุนี้เข้าถึงซึ่งความเป็นบริษัทอันเลิศและได้เพื่อจะฟังปาติโมคุเทศเป็นผู้สามารถจะให้บรรพชาอุปสมบทกุลบุตรเหล่าอื่นบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยืนดำรงอยู่สืบไปสิกขาปฏเทสุสมัคคการีเป็นผู้ปฏิบัติรักษาสิกขาบททั้งหลายไม่มีประมาณให้บริบูรณ์ไม่ด่างพร้อยการที่จะให้กระทาและปฏิบัติเช่นนี้ หามีแก่เราไม่ประการหนึ่งเหล่าภิกษุนี้ทรงไว้ซึ่งเพศแห่งสมณะตั้งอยู่ในความประสงค์ของพระพุทธเจ้าอุประรุณาคโลโมเป็นผู้ตัดเล็บและมีหนวดเคร้าอันตัดถอนแล้วมิได้ทาแป้งแต่งตัวประดับประดาอนุปัตตะศีละคันโทมีกลิ่นคือศีลหอมขจรไป ไม่ต้องลูบไล้ของหอมตัวของอัตมานี้พร้อมไปในที่จะประดับประดามีนุ่งผ้าห่มผ้าอันงดงามใช่ผู้มักน้อยสันโดษไม่สามารถจะปฏิบัติให้เหมือนท่านได้เหตุฉนี้พระโสดาจึงไหว้พระภิกษุที่เป็นปุถุชนนั้นประการหนึ่งพระโสดาอุบาสกมาวิตกคิดว่า พระภิกษุทั้งหลายประกอบด้วยเหตุแห่งสมณะ20สิบประการและเพศสองประการแล้วยังผู้อื่นให้เล่าเรียนศิกษาบทต่อไปได้อันปรมานี้สั่งสอนให้คนทั้งหลายรู้ซึ่งศิกขาบทเหมือนพระภิกษุไม่ได้เหตุฉนี้พระโสดาอุบาสกจึงไหว้นบพระภิกษุบุถุชนนั้นมหาราชาขอถวายพระพ ร, พรโสอัตโถ อันว่าเนื้อความนี้ควรที่จะรู้ด้วยอุปมาราชปบุตรโตปานดุดราชบุตรแห่งบรมกษัตราธิราชไปเรียนศิลปศาสตร์ในสำนักพราหมโรูหิตผู้ใหญ่ครั้นราชบุตรเรียนไปก็จำเริญด้วยศิลปศาสตร์ครั้นราชบุตรนั้นได้ราชาพิเศษเป็นใหญ่ขึ้นก็ไหว้นบเคารพปโรหิตด้วยคิดว่าปโรหิตได้เป็นครูบอกความรู้วิชา ยะถามีครุวนาฉันใดพระโสดาอุบาสกก็วิตกว่าพระภิกษุนั้นทรงศีลสังวรได้สั่งสอนอัตมาอยู่รำพึงกรณีพระโสดาจึงไหว้นบพระภิกษุปุถุชนนั้นอปิจะประการหนึ่งมหาราชะขอถวายพระพรบพิผู้ประเสรดอันภูมิภิกษุนี้ลำเลิศ หาภูมิอื่นเสมอบ่อไม่ได้ควรที่พระโสดาจะไ่ว้นบด้วยภูมิภิกษุเป็นภูมิใหญ่ถ้าว่าอุบาสกผู้โสดาได้เป็นพระอรหันต์จะทรงไว้ได้ก็แต่ภูมิภิกษุถ้าว่าไม่บรรพชาเป็นภิกษุเสียก็จะต้องเข้านิพพานมีคติสองประการกรณีจึงว่าภูมิภิกษุนี้เป็นมหันตภูมิใหญ่ไพศาล ควรอุบาสกโสดาจะนมัสการบอ่อพระราชสมภารจงทรงพระสันนิฐานเข้าพระไทยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การสรรเสริญพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ล้ำเลิศสัทุสะปัญญาของพระผู้เป็นเจ้านี้ประเสริฐนักหนา มาแก้อาธปัญหานี้ได้แจมแจ้งปัญหาแต่พอดีพอร้ายใครจะแก้ได้อัญโยโกโจิผู้ใดอื่นนับหมื่นโกรธนอกจากพระผู้เป็นเจ้ามิอาจแก้ปัญหานี้ได้โยมนี้รับไว้ตามที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชชนานั้นทุกประการเศร ธ, ธรรมปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเพียงนี้